ธรรมที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จสละพระราชสมบัติออกบวชปฏิบัติธรรมและตัศรูเป็นพระอารันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมานั้นคืออะไรธรรมที่ทำให้พพุทธเจ้าทรงสละราชสมบัติ ก็คือเทวทูตสี่เทวทูตสี่ก็คือหนึ่งคนแก่สองคนเจ็บไข้ได้ป่วยสามคนตายและสี่นักบวชนี่คือเทวทูตสี่ที่หลังจากที่พระองค์ ได้ทรงพบทรงเห็นก็ทำให้พระองค์เกิดความเบื่อหน่ายต่อการอยู่ในพระราชวังอยู่กับความสุขทางร่างกายเพราะทรงเห็นว่าในที่สุดร่างกายของพระองค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไป ความสุขต่างๆที่ได้จากร่างกายนี้ก็จะหมดสภาพไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงสลระราชสมบัติตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตธ์ใหม่ๆ พระราชบิดาได้ทรงเชิญโห้นมาพยากรณ์ทำนายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะมีความเป็นไปได้อย่างไรว่าจะเป็นอะไรอย่างไรโห้นส่วนใหญ่ก็ได้ทำนายว่ามีสองทางด้วยกัน คือถ้าทรงอยู่ในเพศของค า, ารวาสก็จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าทรงออกผนวชทรงออกบวชก็จะได้ตัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโหนเพียงท่านเดียว ที่ทำนายว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องเสด็จออกบวชและตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระราชบิดาได้ฟังคำทำนายก็มีความวิตกกังวลเพราะอยากจะให้เจ้าชายสิทธัตถานั้นสืบทอดพระราชสมบัติให้ได้เป็นพระมหาจากักรกษัติ แต่ก็กลัวว่าพระ อ, องค์จะเสด็จออกบวชจึงได้สร้างปราสาทสามฤดูไว้เพื่อบำรุงบำเรอความสุขให้แก่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะทรงสร้างกำแพงล้อมพระราชวังเพื่อไม่ให้ เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกไปนอกพระราชวังไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในพระราชวังจะไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายไม่มีนักบวชมีแต่หนุ่มสาวหญิงชายต่างๆ ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อที่จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีความสุขกับเพศของขารวาดนั่นเองแต่เจ้าชายสิทธัตถนั้นก็ทรงมีความอยากรู้อยากเห็นว่าภายนอกกำแพงนั้นมีอะไรบ้าง วันหนึ่งจึงทรงเล็ดลอดเสด็จออกไปประพาสนอกพระราชวังก็ทรงพบคนแก่ก็ทรงถามว่าถามมหาเล็กว่าคนชายคนนี้คนนี้เขาเป็นอะไรเขาถึงเปรรูปร่างลักษณะอย่างนี้ทำไมหลังเขาถึงคล่อมหนังทำไมเขาเหี่ยว ผมทำไมของเขาจึงกลายเป็นสีขาวไปมหาดเล็กก็ตอบทูลว่าเขาก็เป็นคนเหมือนพระองค์นั่นแหละตอนที่เขามีอายุน้อยเขาก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแข็งแรงเหมือนกับร่างกายของพระองค์นี่แหละแต่พอมีอายุมากขึ้นไปเข้าสู่วัยชรา ร่างกายก็จะกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นร่างกายของคนแก่ไปพระองค์ก็เสด็จทอดพระเนตรต่อไปก็ได้ไปเห็นคนป่วยไม่สบายนอนอยู่หน้าบ้านร้องควรวญครางด้วยความเจ็บปวดก็ทรงถามว่าชายคนนี้เขาเป็นอะไรเขาถึงเป็นอย่างนี้ ทำไมเขาถึงต้องนั่งร้องนอนร้องด้วยมหาด้วยก็ตอบทูลไปว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคภฟไข้เจ็บซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของทุกๆคนแม้แต่ร่างกายของพระองค์เองสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกัน พอได้ยินคำตอบพระองค์ก็ทรงมีความรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ทรงสเสด็จต่อไปก็เห็นขบวนแบกคนตายเพื่อที่จะนำเอาไปเผาก็ถามว่าเขาแบกอะไรกันเนี่ยเขาจะทำอะไรกันก็ได้คำตอบว่าเป็นคนตายที่ ร่างกายไม่หายใจแล้วร่างกายจะเปื่อยจะเน่าจะเหม็นจึงต้องนำอาอกไปชาปนกิจเอาไปเผาเป็นร่างกายของทุกๆคนทั้งของพระองค์เองก็เช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็สรงสเสด็จต่อไปก็เห็น นักบวชสมณะเดินผ่านมาก็สงถามว่าท่านองนี้ท่านเป็นใครท่านทำไมเจ๋งแต่งกายแบบนี้ก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นนักบวชเขาเป็นผู้ที่แสวงหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายานี่คือ เทวทูตสีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบเห็นในวันที่ทรงเสด็จเล็ดลอดออกมาประพาสนอกพระราชวังจึงทำให้พระองค์เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตของร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นของพระราชามหากษัตริย์ หรือของคนธรรมดาสามัญไม่ว่าจะเป็นร่างกายของหญิงหรือของชายของเด็กหรือของผู้ใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดออจะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปทุกคนพระองค์จึงเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับร่างกายของพระองค์ พระองค์เองก็ไม่อยากที่จะตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นคนแก่ไม่อยากจะเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่อยากจะเป็นคนตายจึงมีความสนพระไทยที่อยากจะศึกษาเหมือนกับนักบวชศึกษาหาวิธีทําให้พระองค์ ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายนี่คือเหตุที่ทําให้พุทธเจ้าได้สละราชสมบัติแล้วออกบวชเพื่อจะแสวงหาการไม่แก่การไม่เจ็บและการไม่ตายธรรมนี้เป็นธรรมที่สําคัญอย่างมากสําหรับผู้ที่ ต้องการที่จะยุติการเกิดแก่เก็บตายจำเป็นจะต้องระลึกถึงเทวทูตสีนี้อยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ไม่หลงไม่ลืมไม่หลงอยู่กับความสุขทางร่างกายทางลาบยศจลเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุข เพียงระยะเวลาสั้นๆที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงแล้วถ้ายัางไม่ได้หาวิธียุติการเกิดแก่เจ็บตายก็จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ผู้ใดเห็นความทุกข์ในความเกิดในความแก่ในความเจ็บไข้ได้ป่วยในความตายก็จะมีความเบื่อหน่ายกับการมาเกิดเบื่อนายกับการมาแก่มาเจ็บมาตายก็จะเกิดมีฉันทะวิริยะที่จะ ออบวชกันเพื่อที่จะได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายนี้เพราะทุกครั้งที่มาเกิดแล้วไม่ว่าจะเกิดดีหรือไม่ดีสูงหรือไม่สูงสูงหรือต่ำรวยหรือจนก็ต้องเจอสภาพเดียวกันหมดจะต้องเจอความแก่เจอความเจ็บและเจอความตายกัน พระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงสละราชสมบัติและทรงออกบาเพ็ญก็ได้บรรลุได้พบกับคำตอบได้พบกับทางออกได้พบกับการที่จะทำให้พระองค์ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายอีกต่อไปก็ทรงพบวิธีทำให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ ทรงตัดสรตวพระอริยสัตติทรงเห็นว่าความการเกิดแก่เจ็บตายนี้เกิดจากตันหาความอยากคือกามตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาการที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องไปหยุดตันหา ความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุทำให้มาเกิดนั่นเองและทมที่จะทำให้ละตัณหาได้ก็คือมรรคที่พระองค์ได้ส่งค้นพบด้วยพระองค์เองคือวิธีการควบคุมจิตใจชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆ ปราศจากความโลภความโกรธความหลงพระองค์จึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ได้ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงเหตุที่ทำให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดและพบเหตุที่จะยุติ การเวียนว่ายตายเกิดนี้สงคนพบด้วยเพระองค์เองคือไม่มีใครรู้มาก่อนเรื่องของพระอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมากไม่มีใครรู้ว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันนี้ก็คือกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถุตธรรมะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นไม่มีใครรู้มีแต่ส่งเสริมกันจึงมีการมาเกิดกันอยู่อย่างไม่มีการหยุดหย่อนเลยตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วพอตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะ ส่งเสริมความอยากกันทั้งนั้นไม่มีใครคิดเลยว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้ได้ด้วยพระองค์เองก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ทรงไปศึกษากับนักบวชอาจารย์ต่างๆท่านก็รู้จักวิธี หยุดความอยากได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นคือหยุดความอยากด้วยการทำใจให้สงบให้เข้าสู่สมาธิเวลาใจสงบอยู่ในสมาธิความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการไปเกิดแก่เจ็บตายก็หยุดทำงานชั่วคราวแต่จิตไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะ มีความเกี่ยวข้องกับร่างกายส่วนหนึ่งร่างกายถึงเวลาก็ต้องเรียกร้องให้เติมอาหารเติมน้าถ้าอยู่ในสมาธิไปเรื่อยๆร่างกายก็จะต้องตายไปร่างกายก็จะดึงใจให้ออกมาจากสมาธิเพื่อมารับประทานอาหารเพื่อมาเปลี่ยนอิริยาบถไม่เะนั้นร่างกายก็จะต้องตายไป การเข้าสมาธิเพื่อละความอยากจึงไม่สามารถทำได้อย่างถาวรเพราะออกจากสมาธิมาความอยากที่ถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้ก็จะออกมาทำงานใหม่ความอยากนี้เปรียบเทียบเหมือนเป็นหญ้าส่วนสมาธินี้เป็นเหมือนหินถ้าเราก้อนหินมาทับหญ้าไว้ หญ้าก็ไม่สามารถที่จะงอกงามขึ้นมาได้โผล่ขึ้นมาได้แต่พอเราเอาหินออกจะหินที่เราทับหญ้าไว้เอาหินออกไปเดี๋ยวหญ้าก็จะงอกงามขึ้นมาได้เพราะรากของหญ้านี้ไม่ได้ถูกถอดถอนมันเองถ้าต้องการให้หญ้านี้ไม่งอกเงยขึ้นมาได้ ก็ต้องถอนถอนรากถอนโคนของหญ้าเท่านั้นถึงจะทำให้หญ้านี้ไม่สามารถที่จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้ความอยากนี้ก็เป็นเหมือนหญ้าสมาธิก็เป็นเหมือนก้อนหินเวลาใจเข้าสู่สมาธิก็เหมือนเอาหินมาทับตันหาความอยากไว้ความอยากก็ไม่สามารถโผล่ออกมาได้ ตอนที่อยู่ในสมาธิจึงมีความสุขมากเพราะว่าไม่มีตัวเหตุที่มาก่อทุกข์ให้แก่ใจนั่นเองก็คือตัณหาแต่พอออกจากสมาธิมาล่อมมารับรู้กับเรื่องราวต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายมาพิจิตรูปแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัณหาก็จะออกตามมา ใจก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจตามมาไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะทำลายตันหาให้ได้อย่างถาวรไม่ให้ออกมาก่อกวนใจเวลาที่ออกจากสมาธิมาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องทรงค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองหาวิธีทำอย่างไรจึงจะสามารถ ตอถอนรากของความอยากนี้ให้ออกมาจากใจให้ได้เพื่อจะได้ทำลายความอยากได้อย่างถาวรหลังจากที่ได้ทรงปฏิบัติอยู่ลองผิดลองถูกอยู่ในที่สุดก็ส่งคนพบวิธีคือการบําเพ็ญ จ, จิตตะภาวนา สมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาเบื้องต้นก็ทำใจให้สงบตัดกำลังของความอยากแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ส่งใช้วิปัสนาคือใช้การวิเคราะห์ด้วยปัญญาว่าความอยากนี้มันเกิดจากอะไร ลากของความอยากคืออะไรรากของความอยากก็คือความหลงความหลงก็คือความไม่รู้ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสงบและตัวที่มาทำลายความสุขนี้ตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจนี้ก็คือ ตัวตันหาความอยากนี้เองอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่าเป็นไปได้หรือไม่เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเวลาเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาใจก็จะทุกข์ขึ้นมาทันที เวลาเห็นร่างกายของเราแล้วคิดว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องใจเราจะต้องตายใจก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเพราะมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าวิเคราะห์ดูความจริงของร่างกายแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความจริงอันนี้ไปได้ก็ทรงเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาทรงเห็นว่ามันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครทั้งนั้นอยากให้มันไม่แก่มันก็ห้ามมันไม่ได้อยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามมันไม่ได้อยากไม่ให้มัน ไม่ตายก็ห้ามมันไม่ได้แต่เวลาเกิดความอยากนี้เกิดความทุกข์ขึ้นมาละเวลาที่ไม่เกิดความอยากเช่นเวลาที่อยู่ในสมาธิไม่ได้ไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์หลังจากทรงพิจารณาเปรียบเทียบดูระวางขณะที่มีความอยากกับความไม่อยาก ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลาที่ไม่มีความอยากใจสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเวลาที่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจจะเดือดร้อนขึ้นมาทันทีพระองค์จึงได้ข้อสรุปว่าไปอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นให้มันเป็นให้มันเที่ยงไม่ได้ เช่นอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เพราะนี้คือธรรมชาติของร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ถาวรไปอยากในสิ่งที่เราควบคุมบังคับสั่งไม่ได้คือไปอยากให้สิ่งที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเรานี้ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เช่นอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อยากให้บ้านเมืองของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้อะไรต่างๆที่เราไม่ชอบให้เป็นไปอีกอย่างหนึ่งมันเราไม่สามารถที่จะไปทำตามความอยากของเราได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่เหนืออำนาจของเรานั่นเองพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือมันไม่ใช่เป็นของเราเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมัน ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราไปอยากเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือการวิเคราะห์ด้วยปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงสภาวะธรรมทั้งปวงคืออะไรก็คือลาบยศสารเสริญ ตาหูจมูกรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะตาหูจมูกรินกายดินฟ้าอากาศเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้มันเป็นอนิจจกมันไม่แน่นอนมันมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมมันหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ของมันเหมือนกับเหมือนกับดินฟ้าอากาศเหมือนกับฤ ด, ดูเนี่ย เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เช่นเราชอบฤ ด, ดูหนาวเราจะไปสั่งให้มันเป็นฤ ด, ดูหนาวไปทั้งปีอย่างนี้ก็สั่งไม่ได้ฤ ด, ดูหนาวมันก็มีเวลาของมันเมื่อหมดเวลามันก็มีฤ ด, ดูร้อนเข้ามาแทนที่หมดฤ ด, ดูร้อนมันก็มีฤ ด, ดูฝนเข้ามาแทนที่ ฉันไดสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเจริญขึ้นแล้วก็มีการตั้งอยู่แล้วก็มีการดับไปเช่นร่างกายของเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทรัพย์สมบัติต่างๆที่ได้มาก็ต้องหมดไปราบยศจ ะ, ะร่ำเสวนสุข มีเจริญและมีเสื่อมเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังไม่ถาวรไม่แน่นอนไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ไปเกิดความอยากให้มันเป็นเหมือนเดิมให้มันอยู่กับเราหรือให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ให้มันเสื่อม ถ้าเราเห็นความจริงแล้วเราก็จะได้ไม่มีความอยากให้มันเป็นอย่างอื่นมันจะเจริญก็รู้ว่ามันเจริญมันจะเสื่อมก็รู้ว่ามันเสื่อมใจไม่ได้มีส่วนที่จะไปกําหนดไปบงการให้มันไม่เสื่อมหรือให้มันเจริญเพียงอย่างเดียวถ้าใจไม่ไปยุ่งกับเขาไม่ไปยุ่งกับสภาวธรรมทั้งหลาย ใจก็จะเย็นสบายสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเพราะไม่มีความอยากให้สภาวธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นันนน่นเองเพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บงการเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้อยากก็จะทุกข์ขึ้นมาเปล่าๆนี่คือการเจริญวิปัสสนา วิเคราะห์ด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลก็จะทำให้เห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากและความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ผลักดันให้ไปเกิดแก่เจ็บตายซ้าแล้วซ้าอีกถ้าไม่มีความอยากนี้แล้วก็จะไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการ ใช้ปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ได้ทรงพบคําตอบที่พระองค์ต้องการก็คือวิธียุติการแก่การเจ็บการตายด้วยการไม่มาเกิดใหม่ด้วยการตัดความอยากต่างๆด้วยการไปถอนรากเหง้าของความอยากคือความหลง ที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวธรรมต่างๆที่ใจอยากไปให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นร่างกาย mm. นี่แหละคือวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ยุติการแก่ยุติการเจ็บไข้ได้ป่วยยุติการตาย ด้วยการสละพระราชสมบัติออกบวชและปฏิบัติธรรมส่งรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์และส่งบำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจนได้พบกับอริยสัจสีความจริงที่ทำให้ มีการเกิดแก่เจ็บตายและความจริงที่จะหยุดยุติการเกิดแก่เจ็บตายหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราผู้ใดที่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามารถนำเอาไปปฏิบัติตามได้ ก็สามารถยุติการแก่การเจ็บการตายได้เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งยุติด้วยการละความอยากทั้งหลายด้วยการเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาที่เป็นเครื่องมือที่จะทำลายความอยากต่างๆความอยากทั้งสามความอยากทั้งสามเท่านั้นที่เป็นปัญหา ความอยากอย่างอื่นนี้ไม่เป็นปัญหาอยากได้เช่นอยากจะทำบุญอยากจะรักษาศีลอยากจะออกบวชอยากจะปฏิบัติธรรมนี้เป็นความอยากที่ไม่ควรจะทำลายไม่ควรละควรจะส่งเสริมเพราะเป็นความอยากที่จะนำไปสู่การทำลายความอยากที่เสียหายความอยากที่ทำให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกัน ดังนั้นเวลาท่านฟังเรื่องของความอยากนี <neutral iya> <ent> <say>. ่ก็ต้องขอให้รู้จักแยกแยะเวลาที่บอกว่าความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์นี้ก็หมายถึงความอยากสามหัวข้อเท่านั้นคือกามาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลัพพระเช่นอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานอยากเที่ยวอยากเล่นอยากมีความสุข จากการเสพการนี่เป็นความอยากที่เป็นอันตรายต่อใจหรือความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ความอยากแบบนี้เป็นโทษเป็นภัยกับจิตใจและความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ อยากไม่ให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนีนนงนน้นี่เรียกว่าวิภาวะตัณหากับภาวะตัณหากับกามะตัณหานี่มีตัณหาสามอันนี้เท่นั้นที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นตัวปัญหาเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายกัน ส่วนความอยากทำบุญทาทานความอยากจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมความอยากบวชอยากบาเพ็ญอยากจะสละเพศของคารวะเพื่ออยู่แบบนักบวชเพื่อปฏิบัติสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาความอยากเหล่านี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ควรจะส่งเสริมไม่ใช่พอบอกว่า ความอยากเป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายก็เลยกลัวไม่อยากไม่กล้าไม่อยากจะทำบุญเสียแล้วไม่อยากจะปฏิบัติธรรมเสียแล้วไม่อยากจะบวชกันเสียแล้วอันนี้ก็ฟังแบบเถ็นตรงฟังแบบไม่มีปัญญาแยกแยะเวลาฟังท่านก็แสดงไว้ชัดเจนแล้วว่าความอยากที่เป็นปัญหานั้นมีอยู่สาม ก็คือการมตัญหาความอยากในกามคุณทั้งห้าภาวะตัญหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตัญหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากมีอยากเป็นก็คืออยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวยเออยากให้คนนั้นคนนี้เป็นตามความอยากของเราอยากให้เขาดีกับเราอยากให้อยากให้เขารักเราอย่างนี้เอ ความอยากวันนี้จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้นั่นเองเช่นเดียวกับความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่ยากจนอยากไม่ให้คนนั้นเขาด่าเราอยากไม่ให้คนนั้นเขาว่าเราวิพากวิจารณ์เราดูถูกดูแคลนเราความอยากแบบนี้มันจะทําให้เกิดความทุกข์ใจและจะทําให้เรา ต้องไปเกิดใหม่เพราะเวลาเราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราก็จะหนีเวลาเจอสิ่งที่เราชอบเราก็จะวิ่งหาเข้าหาการหนีหรือการวิ่งเข้าหานี่ก็เท่ากับการไปเกิดใหม่การที่จะไม่ไปเกิดใหม่นี้จะต้องอยู่เฉยๆเจอสิ่งที่เราชอบก็ไม่วิ่งเข้าหาเจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็ไม่วิ่งหนีเราอยู่กับมัน เจอมันพบมันสู้มันไปถ้ามีปัญญามีความสงบแล้วใจนี้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่หวั่นไหวร่างกายจะแก่ก็สู้ได้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็สู้ได้ร่างกายจะตายก็สู้ได้ถ้าใจมีความสงบมีปัญญาที่จะคอยสอนใจว่าอย่าไปหนีอย่าไปวิ่งเข้าหา ให้อยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแล้วใจก็จะไม่เคลื่อนไหวเมื่อใจไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไหวใจก็จะไม่ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายนั่นเองนี่คือ <c oughs> เรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระพุทธศาสนาพวกเราถ้าไม่มีเทวทูตสี่มาเป็นตัวกระตุ้นให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตื่นจากความหลง อยู่ติดอยู่กับความสุขในชีวิตของพระราชวังพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีวันที่จะสละราชสมบัติสะละราชเสด็จออกบวชได้แต่พระองค์ทรงเห็นเทวทูตสี่นี้เป็นตัวที่บุกใจให้ตื่นขึ้นมาให้ตื่นจากพวังของความหลง ของความติดอยู่ในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่พวกเราตอนนี้กำลังติดกันอยู่พวกเราตอนนี้ยังรักครอบครัวของเรายังรักสามียังรักภรรยายังรักบุตรทิดายังรักทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังรักความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่ ถือว่าพวกเรากำลังอยู่ในผวังของความหลงกันอยู่ถ้าอยากจะเตื่นจากผวังของความหลงพยายามระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆถ้าระลึกไม่ออกก็ไปดูของจริงก็ได้ไปเยี่ยมคนแก่ที่บ้านคนชราดูกันไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลกันไปเยี่ยมป่าช้ากัน ไปเยี่ยมเบนสุสารที่ฝังศพที่เผาศพกันเพื่อเราจะได้เห็นเทพบุตรเพื่อที่เราจะได้เตื่นขึ้นมาจากผวังของความหลงแล้วก็ไปเยี่ยมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้แสวงหาการยุติการเวียนว่ายตายเกิดการเกิดแก่เจ็บตายกัน อย่างที่พวกเราทํากันอยู่เป็นประจําไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ต่างๆก็เพื่อที่เราจะได้ไปฟังเทศฟังธรรมฟังวิธีที่จะทําให้เราตัดภพตัดชาติตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้ได้นั้นเองเพราะพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบท่านทําเพียงเท่านี้ท่านไม่ได้มานั่งปลูกเสกเอไม่นั่งมา สร้างวัตถุมงคลไม่ได้มาบอกใบบอกเลขบอกเบอร์ไม่ได้มาเคาะหัวรูปหัวปะเจาหมูอย่างหลงตาบอกว่าจะให้เป็นงูพิษพ่นพิษได้ยังไงชอบมาให้เป่าหัวอยู่เรื่อยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นท่านมุ่งไปสู่การตัดความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆ ความอยากทั้งสามนั้นเป็นตัวที่ทําให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายถ้าไปฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ฟังแต่เรื่องราวเหล่านี้และได้ยินได้ฟังวิธีที่จะปฏิบัติที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะแสวงหากันตอนนี้พวกเรายังอยู่ในภาวะของความหลงอยู่ ยังไม่เติ่นขึ้นมาต้องไปเยี่ยมคนแก่ตามบ้านคนชราไปทําบุญกับคนแก่จะได้บุญบุญที่นี้ก็คือได้ปัญญาได้เห็นความชราไปเยี่ยมคนเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆจะได้บุญได้ปัญญาแล้วก็ไปงานศพไปสุสานไป ที่มีคนตายถ้าไปเห็นซากศพได้ยิ่งดีสมัยนี้ไปงานศพกับไม่เห็นคนตายกับเห็นคนเป็นไปงานศพนี้มีคนไปงานศพกันเป็นร้อยเป็นพันแต่คนที่ตายนี้กลับมองไม่เห็นกลับปิดไว้ในโรงอย่างมิชิตไปก็เลยเหมือนกับไม่ได้ไปถ้าอยากจะไปเพื่อให้เกิดปัญญาต้องไปเห็นศพของคนตาย สมายนี้ถ้าเขาปิดเราก็ต้องไปขอดูตามโรงพยาบาลต่างๆที่มีการผ่าศพไปดูจะได้เห็นความจริงของอนาคตของร่างกายของเราว่าต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะได้ตื่นจากความหลงความหลงก็คือคิดว่าเรานี้จะไม่ตายกันเราจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยกัน เราจะไม่แก่กันแล้วก็จะมีแต่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่จะทำให้ต้องมาทุกข์วุ่นวายเวลาที่ต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายกันถ้าไปดูความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆใจจะชินกับมันแล้วใจจะไม่ต่อต้านยอมรับความจริง นี่คือสิ่งที่ผู้ที่ปรารถนาการยุติการเกิดแก่เจ็บตายจำเป็นจะต้องทำก็คือต้องเข้าหาเทวทูตสี่กันต้องไปดูคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชอยู่เรื่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะตื่นขึ้นมาจากผวังของความหลงแล้วสละ ความสุขทางร่างกายออกมาบำเพ็ญกันถือศีลแปดศีลนักบวชกันแล้วก็บำเพ็ญสมถภาวนาและ ว, วิปัสสนาภาวนาถ้าได้ออกมาบำเพ็ญแล้วไม่นานก็จะบรรลุเหมือนกับพระพุทธเจ้าดีไม่ดีจะบรรลุเร็วกว่าพระพุทธเจ้าเสียอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอน ไม่มีใครนำทางแต่พวกเรานี้มีคนนำทางเพียงแต่เดินตามเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกแล้วว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนให้ปฏิบัติได้บางคนก็จะสามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันบางคนก็บรรลุได้ภายในเจ็ดเดือนและบางคนก็บรรลุได้ภายในเจ็ดปีเป็นอย่างมาก พราะความสามารถของแต่ละบุคคลนี้ก็มีไม่เท่าเทียมกันปัญญาบารมีไม่เท่ากันวิริยะบารมีไม่เท่ากันสติไม่เท่ากันถึงทําให้ช้าหรือเร็วต่างกันแต่ถ้ามีความพยายามมีน้อยก็พยายามทําให้มากขึ้นก็จะได้ผลเช่นเดียวกัน เปลี่ยนแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเหมือนเวลาที่วิ่งแข่งวิ่งแข่งขันกันบางคนก็ได้ที่หนึ่งบางคนก็ได้ที่สามบางคนก็ได้ที่สุดท้ายแต่วิ่งถ้าวิ่งไม่หยุดก็ถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันจะถึงช้าถึงเร็วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะถึงแล้วก็ได้ผลเท่ากันได้รางวัลเท่ากันรางวัลวของพระเจ้านี้มีเหรียญทองเหรียญเดียว ไม่มีเหรียญเงินไม่มีเหรียญทองแดงเหมือนกับการแข่งขันทางโลกถึงแม้ว่าจะมาสุดท้ายก็ได้เหรียญทองเหมือนกันบรรลุเจ็ดวันก็ได้พระนิพพานบรรุเจ็ดเดือนก็ได้พระนิพพานบรรุเจ็ดปีก็ได้พระนิพพานเหมือนกันดังนั้นพวกเราอย่าไปให้ความแตกต่างของพวกเรานี้มาเป็นเหตุทาให้เราไม่ขวนขวายกัน <minutes> เห็นคนอ kind of ื <lawsuit> os, ่นเขาบรรลุเร็วเราบรรลุช้าก็เลยท้อแท้กันเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติได้มากกว่าเราก็เลยท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติเห็นคนอื่นเขาสะดวกรวดเร็วกับการปฏิบัติส่วนเราติดภาระนู่นติดภาระนี่ก็เลยพานไม่ปฏิบัติเลยถ้าไม่ปฏิบัติเลยก็เหมือนไม่วิ่งเลยเมื่อไม่วิ่งเลยก็จะไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ถึงแม้เราจะช้ากว่าเขามีภาระมีปัญหามีอุปสรรคมากกว่าเขาก็ขอให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าหยุดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทางถึงช้ากว่าเขาก็ไม่เป็นไรเช่นพระพุทธเจ้าไปถึงก่อนเราสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ไม่เป็นไรขอให้เราถึงวันนี้พรุ่งนี้เถิดพะถึงแล้วก็จะได้พระนิพพานเหมือนกันมีราคาคุณค่าเท่ากัน ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวตายเกิดเหมือนกันไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเจริญเทวทูตสีนี้อยู่เรื่อยๆให้เราลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่ทรงสอนในบทสวดมนต์ว่าเราทั้งหลายเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดา <c oughs> ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ขอให้คิดอย่างนี้ไปทั้งวันเถิดแล้วมันจะตื่นขึ้นมาจะตื่นจากความหลงที่คิดว่าเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกัน แล้วเราจะได้รีบขวนขวายออกปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าชาตินี้พบนี้เป็นชาติที่วิเศษที่สุดเพราะมีพระพุทธศาสนานำทางถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าต้องคํำทางไปเองแต่เราต่างกับพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าเรามันไม่มีบารมีเหมือนกับพระพุทธเจ้า เราจะไม่มีโอกาสไม่มีวันที่จะสามารถคลาทางไปได้ด้วยตนเองเราต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนามานําพาเราไปเท่านั้นดังนั้นชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษที่สุดเพราะนานๆเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่งเมื่อเราได้พบแล้วเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีงาม น, นี้ให้ หลดมือไปให้รีบขวนขวายเหมือนโบราณที่พูดว่าน้ําขึ้นให้รีบตักน้ําขึ้นในตอนนี้ก็คือน้ําของพระพุทธศาสนามีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะส่งเสริมให้เราได้บรรลุผลกันส่งเสริมให้เราไปถึงพระนิพพานกันถ้าเราไม่รีบตักน้นํานี้วันข้างหน้าน้ํานี้ก็อาจจะเหือดแห้งไปได้ ดูแม่น้ำบางแม่น้ำช่วงที่มีฤลดูฝนในน้ำเต็มเอ่อตลิง่งบางทีก็ล้นฝั่งแต่พื่อพอตกช่วงฤดูแล้งนี้น้ำหายไปหมดเลยเดินข้ามฝากได้อย่างสบายนี่ก็คืออนิจจงความไม่แน่นอนนั่นเองพระพุทธศาสนาก็จะไม่อยู่คู่กับโลกเราไปตลอดเวลามีมาปรากฏขึ้นมาเป็นยุคยุคเป็นช่วงช่วง อย่างพระพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันนี้ก็จะอยู่กับโลกได้ประมาณสัก5้0 0ปีหลังจากนั้นแล้วก็จะจางหายไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำที่จะหายไปก็ต้องรอหน้าฝนหน้าใหม่กว่าฝนจะตกน้ำถึงจะเต็มแม่น้ำอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่เวลาที่เราจะรอให้พระพุทธศาสนา อันใหม่มาปรากฏนี้ก็จะเป็นเวลายาวนานมากเป็นกลับเป็นกันด้วยกันดังนั้นถ้าเราพลาดในโอกาสนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งเมื่อไหร่พราเราตายไปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาภายในสองพันกว่าปีนี้หรือไม่เพราะว่าเราทําบุญทํากรรมกันไว้ก็จะต้องไปรับผลบุญผลกรรมกันก่อน ก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ก็ต้องรอพระพุทธศาสนาของพระศรีอานที่จะมาปรากฏขึ้นในภายภาคหน้าในเวลาในระยะเวลาอันยาวนานช่วงนั้นเราก็จะต้องมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ําอีกกันไปเรื่อยๆดังนั้น ชาตินี้จึงเป็นชาติที่ดีชาติที่วิเศษเพราะเราจะสามารถยุติการแก่การเจ็บการตายได้ดังขอให้เราพยายามเราเลิกถึงเทวทูตสี่อยู่เรื่อยๆแล้วจะทําให้เรานั้นได้ตื่นขึ้นมาจากความหลงแล้วจะทําให้เราเกิดอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสา ที่จะออกบาเพ็ญออกปฏิบัติกันเพื่อที่จะได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาาปุราปาริปุเรนติสกักราง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิป้เมวะสมิจโตุสัพเพโเริตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติละโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะตะวันตรายุสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนศิลิศานิจังวุธาปจายิโนจัตตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามต่อบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดมีคําถามขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยขอให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะถ้าหลังจากปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ให้ถามอีกง้นใครอยากจะถามก็ขอให้ถามในช่วงที่ยังเปิดไว้อยเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมกันขอกราบนักสการเจ้าค่ะคือข้อทําเมเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ได้สอนว่า เทวทูทั้งสี่คือแก่เจ็บตายแล้วก็นักบวชซึ่งหนูคิดว่ามันเป็นข้อธรรมที่สําคัญอย่างมากในการที่จะน้อมนํามาพยายาิจารณาไว้ได้ตลอดชีวิตของเราในการที่จะได้มีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติให้มีความเพียรที่มากขึ้นแต่ในอดีตที่ผ่านมาของหนูที่ผ่านมานะคะคือหนูมักจะมีความคิดคือมึงเรียกว่ามันก็เป็นกิเลสในใจของหนูเองว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้บรรลุธรรมอย่างองค์หลวงตาพระมหาบุญสัม ป, ป โ, นโนเนี่ยท่านนั่งภาวนาจนก้นพองก้นแตกจึงได้บรรลุธรรมด้วยความเพียรของท่านแต่เราซึ่งความเพียรที่ยังมีน้อยนิดเหมือนกับว่าใจมันเนี่ยมีความคิดว่ามันของของเราเนี่ยมันคงอีกยาวนานทีนี้จะแก้ข้อคิดตรงนี้ยังไงเพื่อให้ใจเราเนี่ยมีความเพียรที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ท้อถอยอีกต่อไ ป, ออไปเจ้าค่ะ มันนานเพราะมันทำน้อยถ้าทำมากมันก็ไม่นานเหมือนกินข้าวถ้ากินเร็วๆห้านาทีก็ก็อิ่มแล้วถ้ากินเรื่อยๆช้าเชๆเฉยๆบางทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะอิ่มฉะนั้นช้าหรือเร็วนานหรือไม่นานมันอยู่ที่การทำมากทำน้อยทำมากมันก็มันก็เร็ววันหนึ่งเราปฏิบัติทักกี่ชั่วโมงเราเดินจงกรมทักกี่ชั่วโมง เราจเจริญสติทักกี่ชั่วโมงอันนี้เป็นตัววัดวัดผลไม่ใช่วัดด้วยความอยากวัดด้วยการปฏิบัติปฏิบัติมากผลมันก็ต้องมากเหมือนทำงานทำงานวันละชั่วโมงกับทำงานวันละแปดชั่วโมงอันนี้เงินเดือนมันจะเท่ากันหรือเปล่าบริษัทเขาก็ต้องดูผลงานที่เราได้จากการทำงานทำน้อยเขาก็ให้เงินเดือนน้อย ทำมากเขาก็ให้เงินเดือนมากเป็นเรื่องตักกะเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลอย่าเอาอารมณ์มาใส่มีแต่ความอยากแต่มีแต่ความขี้เกียจมันไปด้วยกันได้ไหนอยากได้มากมากแต่ขี้เกียจปฏิบัติอยา ก, กจนวันตายก็ไม่ได้ถ้าอยากได้น้อยแต่ขยันปฏิบัติเดี๋ยวมันก็ได้มากเอง แสดวาทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหมดทุกคนอ่าก็พระพุทธเจ้าก็บอกแล้วไม่ได้ยกเว้นใครในในธรรมที่แสดงไว้ใครปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้เจ็ดวันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้หรือเจ็ดปีก็ได้ อ, อแล้วทีนี้ถ้าบางคนเหมือนกับว่าอาจจะได้รับพยากรณ์บางส่วนว่า อนาคตเธอจะได้เกิดในสมัยสมดเด็จพระสียไม่ตาเหรอคะถ้าจะย่นระยะทางเข้ามานี่แะคะได้พยากรณ์ไม่แน่นอนไงการพยากรณ์นี่เป็นการคาดกันเองเป็นการาแสดงแนวโน้มของความเป็นไปได้เหมือนพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาก็ไม่รับรองว่า เ, นเซน์ว่ามันจะตกแต่เขาว่าโอกาสมันจะตกมันมีมากมีน้อย ซึ่งในขณะนั้นที่ท่านพยากรณ์อาจจะหมายถึงว่าท่าจิตของเราตอนนั้นมันมันคือขนาดดีแต่ถ้าต่อไปไแล้วได้มีความพิยที่มากขึ้นมันก็คงจะสั้นหดสั้นเข้ามาถูกไหมคะคือมันไม่มีอะไรแน่นอนไงแล้วคนพยากรณ์ก็อาจจะหูหนวกตาบอดพยากรณ์ไปก็ได้เพราฉะนั้นอย่าไปเอาคําพยากรณ์นี้มาเป็นเป็นหลักของการดําเนินเอาการปฏิบัติของเราเป็นการพยากรณ์ดีกว่า การปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นตัวพยากรณ์ที่ตายตัวปฏิบัติมากก็ได้มากปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยไม่พอดี <c oughs> องค์ที่พยากรณ์คือองค์ปู่ล่าที่ผู้เจ้าก้อนจแล้วแต่ใครก็ตามเราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ประมาทท่านอ่ะแต่ก็การพยากรณ์มันถ้าพยากรณ์แล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้อยู่ดีไม่พยากรณ์แต่ปฏิบัติก็ได้มีเยอะแยะไปออานได้ไหมเ้ค ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถามรูปและนามคืออะไรจะพิจารณารูปและนามขณะปฏิบัติภาวนาอย่างไรครับคือรูปนามก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตของเราเนี่เองเราเรียกว่ารูปประขันกับ น, นามรขันรูปประขันก็คือร่างกายของเรา ที่มีอาการ32เช่นมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟดินก็คืออาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปลมที่เราหายใจเข้าไป เมื่อไปผสมกันในร่างกายก็เกิดธาตุไฟขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาเกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาเกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาพอร่างกายนี้หยุดหายใจมันก็ย้อนมันก็กลับแยกกันแยกส่วนกันกลับคืนไปสู่ธาตุเดิมน้ําก็ไหลออกมาไฟก็ไฟก็หายไปลมก็ละเหยออกมา เหลืออยู่ก็เป็นส่วนที่เป็นดินกระดูกเนื้อหนังเอ็นอะไรต่างๆทิ้งไว้ต่อไปมันก็จะผุเปื่อยพังกลายเป็นดินไปนี่คือรูปประคันให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปอยากให้เขาเป็นตัวเราของเราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ทุวันที่เราทุกข์กับร่างกายเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากอย่างไรมันก็ฝืนมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้อยากไปก็จะทุกข์ไ ป, ปเปล่าๆพอเห็นความจริงแล้วยอมรับก็จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้พอหยุดได้ใจก็จะไม่ทุกข์ เรามาปฏิบัตินี้ไม่มาปฏิบัติเพื่อห้ามไม่ให้ร occurs, ไไ่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ห้ามไม่ให้มันมาเกิดอันนี้ห้ามได้แต่ถ้าเกิดแล้วห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้ม FO anyway <yeah> ันเจ็บไม่ให้มันตายไม่ได้แต่ห้ามไม่ให้ใจเราไปทุกข์กับมันได้ด้วยการอยาบไปหยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปไม่ใช่เรื่องของเรา เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราไม่เห็นทุกเวลาคนอื่นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเพราะเราไม่ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายของเรานั่นเองส่วนร่างกายที่เรามีอยู่นี้เราไปหลงคิดว่าเป็นของเราความจริงมันก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นนั่นแหละมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่เราไปคิดว่าเป็นของเราพออะไรเป็นของเราก็เลยต้องดีต้องวิเศษกว่าของคนอื่นขึ้นมาทันทีต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายขึ้นมาทันที แล้วมันมีร่างกายของใครบ้างที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีใช่ไหมต้องเห็นอันนี้เห็นอันนี้แล้วมันก็จะหยุดฝืนความจริงหยุดความอยากได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับมันการปฏิบัติต้องการดับความทุกข์ไม่ใช่ไปดับความแก่ความเจ็บความตายดับไม่ได้นอกจากยุติการไม่เกิดเท่านั้นถึงจะทาให้ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาอันนี้คือเรื่องรูปประคั นามขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่านามนามมันก็เหมือนกับร่างกายเหมือนกันมันก็เกิดเกิดดับดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ไปสั่งมันไม่ได้เหมือนกับร่างกายจะสั่งให้มันสุขอย่างเดียวก็สั่งไม่ได้จะไม่ให้มันทุกเลยก็สั่งมันไม่ได้นถึงเวลามันจะสุขมันก็สุข เวลามันจะทุกข์มันก็ทุกข์เวลาสุขแล้วมันหายไปก็ห้ามมันไม่ได้เวลาทุกข์โผล่ขึ้นมาแล้วอยากให้มันหายไปทันทีทันใดก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าอยากแล้วก็จะทุกข์ขึ้นมาความอยากนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ในใจที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของทางร่างกายความเจ็บของทางร่างกายนี้เป็นเสี่ยวเดียวเมื่อเปรียบกับน้าหนักของความทุกข์ทางใจ ความทุกข์ทางใจนี้ใหญ่โตเหมือนระดับช้างส่วนความเจ็บของทางร่างกายนี้เล็กเหมือนหนูความจริงถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเจ็บแล้วไม่ไปเกิดมีความอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้ให้มันหายความเจ็บระดับช้างคือทางใจจะไม่เกิดจะเหลืออยู่แต่ความเจ็บระดับหนูที่เราจะอยู่กับมันได้อย่างสบายวิธีปฏิบัติการ นามขันก็คือต้องปล่อยวางเหมือนกับที่เราปล่อยวางรู ป, ปรขันให้รู้ทันเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่แน่นอนเป็นอนาาัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ทําใจเฉยๆอยู่กับมันไปสุขก็อยู่กับมันไปทุกข์ก็อยู่กับมันไปรู้ว่ามันมามันไปเท่านั้นเอง ทุ ก, กันยิ่งใหญ่คือทุกที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีเราปฏิบัตินี้เรามาปฏิบัติเพื่อตัดความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในใจของเราที่เกิดจากความอยากของเรานี้เท่านั้นพอไม่มีความทุกข์ในใจแล้วความทุกข์ของทางร่างกายของขันนี้จะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเพราะพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายท่านก็ยังมีความทุกข์เหมือนกับพวกเราอยู่ เพียงแต่ว่าใจของท่านไม่ไปทุกข์กับมันใจของท่านไม่ม so, so, ีความอยากเวลาร่างกายของท่านแก่ท่านไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายของท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายไปท่านไม่เดือดร้อนเพราะใจของท่านไม่มีความอยากแต่ใจของพวกเราเดือดร้อนกันเพราะเรามีความอยากกันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายกันเราจึงต้องมาแก้ตัวความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้หยุดมันให้ได้ ดมันด้วยปัญญาก็คือสอนพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้แล้วในที่สุดมันก็จะเห็นความจริงแล้วมันก็จะหยุดความอยากไปเองแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีต่อไปคำถามต่อไปจากคุณสูงสุดข้อที่หนึ่งการดูจิตอย่างเดียวสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่คะไม่ได้หรอกมันต้องดู ดูทั้งกายทั้งจิตดูทั้งเวทนาดูอย่างที่สอนนี่แหละดูขันห้าก่อนดูรูปประขันแล้วก็ดูนามขันแล้วค่อยไปดูจิตมันมีหลายชั้นด้วยกันความทุกข์ที่เราจะต้องไปกาจัดนี่มันมีอยู่ติดอยู่หลายชั้นติดอยู่ชั้นร่างกายติดอยู่ชั้นเวทนาติดอยู่ชั้นจิต พระุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่ที่กายเวทนาจิต ด, ด้วยธรรมธรรมก็คืออริยรรสัจสีให้รู้ว่าทุกใจเกิดจากความอยากในร่างกายในเวทนาในจิตนี้เองข้อที่สองในกรณีในกรณีที่มีผู้บิดเบือนกล่าวตู่พระพุทธพจน์ หรือคำสอนของครูบาอาจารย์เราควรจะวางตัวอย่างไรคะเราก็อย่ายไปเชื่อเท่งนั้นคนพูดความไม่จริงแล้วไปเชื่อก็เราก็โง่กว่าเขาเลข้อที่สนิพพานมีสภาวะอย่างไรในความเห็นของผู้ปฏิบัติภาวนาก็ต้องปฏิบัติแตงจะรู้ข้อที่สดวงตาเห็นธรรมมีความหมายว่าอย่างไรคะเห็นอริยสัจสี่ เห็นทุกสมุทัยนี่โรดมากคำถามต่อไปจากคุณไมตรีผมเป็นคนขี้ลืมผมอยากมีความจําดีๆควรเอาธรรมะในข้อไหนมาปฏิบตัติถึงจะช่วยให้ความจําดีได้ครับให้ท่องอยู่เรื่อยๆ เ, เลือมอะไรก็ท่องคานั้นอยู่เรื่อยๆเนือกเลือกอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จําได้เองคําถามต่อไปจากคุณอนิจ เลี้ยงสุนักแต่จำเป็นต้องกาจัดเห็บหมัดรู้สึกไม่สบายใจควรแก้ไขยอย่างไรดีคะก็อย่าไปเลี้ยงมันนํคำถามต่อไปจากคุณเข็มลุกนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทโธหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆจนถึงร้อยและเริ่มนับใหม่รู้สึกใจจะมีงานทำก็เลยนั่งได้นานขึ้นมีแวบคิดบ้าง แต่ก็พยายามดึงกลับมาสู่ที่นับต่อแต่ไปได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าแม้กระทั่งการสวดมนต์ก็จะทําให้จิตเคลื่อนก็เลยสงสัยว่าการบริกรรมของลูกผิดทางหรือเปล่าคะมันอยู่มันมันขั้นเป็นตอนไงการภาวนาก็เหมือนขับรถเนี่ยต้องเปลี่ยนเกียร์จะใช้เกียร์เดียวไม่ได้มันต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ถ้ารถวิ่งช้าก็ต้องใช้เกียร์ต่ํา รถวิ่งเร็วก็ใช้เกียร์สูงจิตของเราก็เป็นเหมือนรถถ้ามันดือ้อมันด้านเราก็ต้องใช้การสวดมนต์ใช้การนับไปก่อนถ้ามันไม่ดือ้อเราก็ไม่ต้องนับไม่ต้องบริกรรมเพียงแต่ดูลมหายใจเข้าออกมันก็สงบได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูภาวะจิตของเราว่ามันหยาบหรือละเอียดมันดือ้อหรือไม่ดือ้อถ้ามันฟุ้งมากนี่ก็ต้องใช้การสวดมนต์หยุดมันก่อน พอมันหายฟุ้งแล้วเราก็มากำหนดดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้เหมือนกับขับรถเนี่ยเวลาออกรถก็ต้องใช้เกียร์ต่ำเวลารถวิ่งเร็วก็ต้องเปลี่ยนใช้เกียร์สูงมันถึงจะวิ่งเร็วได้ดังั้นจิตของเราก็แบบเดียวกันเวลาเริ่มต้นบางทีมันฟุ้งมากคิดเรื่องนั้นเคร่งเรื่องนี้มากก็ต้องใช้อุบายของการสวดมนต์หรือของการพิจารณาปัญญาก็ได้ ถ้าเราฟุ้งกับเรื่องอะไรก็ใช้ปัญญาไปพิจารณาเพื่อปล่อยวางเรื่องนั้นให้ได้ถ้าปล่อยวางได้ใจก็จะหายฟุง้งแล้วก็จะกลับมาภาวนาพุโทโธดูลมหายใจเข้าออกได้คำถามต่อไปจากคุณอนัตตาได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังมาสักสองปีแล้วฟังเทศของพระอาจารย์ทุกวันไม่น้อยกว่าสี่ชั่วโมง นั่งสมาธิทุกวันกอดรอนและตอนตีสี่ไม่อ่านข่าวไม่ดูทีวีไม่กินข้าวเย็นมีความตั้งมั่นต่อการปฏิบัติความคิดปรุงแต่งหายไปเยอะถ้ามีความคิดแวบเข้ามาพุทโธจะเข้ามาแทนที่ค่ะคําถามคือเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเกิดความคิดเรื่องการปรุงแต่งของจิตว่า กายใจนี้ถ้าไม่มีการปรุงแต่งมันก็จะว่างๆเหมือนตอนที่เราแค่รู้ในทุกสิ่งที่ปรากฏในสมาธิไม่ต้องอธิบายไม่ต้องใช้สมมุติใดๆเราถูกหลอกด้วยสมมุติตั้งแต่แรกเกิดเลยเหมือนตื่นนอนนั้นถ้าไม่มีสติรู้ทันสมมุติทำงานเราหลงทันทีดิฉันจึงได้เข้าใจว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวตน คืออย่างไรอาการที่คิดสรุปนี้ถูกต้องไหมคะก็ถูกฟังท่าที่พูดมาก็ถูกแต่ข้อสำคัญก็คือขอให้เราดูตรงที่ความอยากกับความทุกข์ของใจเราเท่านั้นให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันว่างปราศจากตัวตนปราศจากความสุขที่แท้จริงไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยมันไป เกิดมาเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปถ้าอย่างนี้ก็ถูกแต่ถ้าเราไปหลงไปคิดว่าเขาดีเขาให้ความสุขกับเราเราอยากให้เขาอยู่กับเราอย่างนี้มันก็จะผิดให้ดูเพื่อปล่อยวางคําถามต่อไปจากคุณตั้มผมมีความรู้สึกปรามาศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งที่กลัวบาป โดยที่ใจไม่ยินดีในความคิดแบบนี้แต่ก็เป็นเป็นหายหายช่วยแนะวิธีทําให้หายด้วยครับก็ต้องศึกษาพระพุทธ ป, ประวัติศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระประวัติของพระอริยสงสาวงทั้งหลายแล้วเราจะได้เห็นขรู้ความจริงของท่านว่าท่านเป็นบุคคลอย่างไรเป็นบุคคลที่เราควรเคารพนับถือยกย่องอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษา ใจของเราที่เป็นใจที่มีอีโก้มีอัตตาตัวตนมากก็จะมากจะมองไม่เห็นความดีงามของผู้อื่นจะปรามาตผู้อื่นไปหมดพยายามศึกษาเพื่อให้เห็นความจริงของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างไรคำถามต่อไปจากคุณมดงามหนึ่งบวชชีใช้บาท สองนุ่งห่มแบบจีวรพระแต่เป็นสีขาวสาบินธบาทเป็นวัดสี่มีข้อปฏิบัติคล้ายพระเช่นฉันอาหารในบาทพิจารณาเป็นปฏิกูลก่อนฉันห้าอยู่ลุกขมูลแต่อยู่ในสำนักที่มีภิกษุสงฆ์ห้าข้อนี้มีคนตีเตียนว่าเป็นหญิงบวชชีใช้สิ่งของ ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของสูงไม่บังควรจริงแล้วผิดหรือไม่ในข้อปฏิบัติทั้งหมดค่ะคือมันมีทั้งถูกและมีทั้งผิดคือผิดตามความรู้สึกของคนที่ไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามองตามหลักของการปฏิบัติมันก็ถูกรูปข้มูลพระพุทธเจ้าก็สอนบิณฑบาตพระพุทธเจ้าก็สอนให้ปฏิบัติเพียงแต่ว่า ท่านสอนให้กับพระภิกษุและพระภิกษุณีแล้วก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นแต่พระภิกษุกับภิกษุณีเท่านั้นที่จะปฏิบัติแบบนี้แต่ความจริงใครก็จะปฏิบัติแบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าทางสังคมเขาจะรับได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองแต่การปฏิบัติันเป็นการปฏิบัติดีนี่ไม่เสียหายตรงไหนแต่ที่เขาไม่รับก็เพราะเขากลัวพวกแปกปลอมเข้ามา แอบอ้างเอาบาทมาขอทานเสร็จแล้วก็กลับไปเล่นไพ่กินเหล้ากันอย่างนี้เขากลัวแบบนี้มากกว่าเขาถึงติเตียนแต่ถ้าเราทำเพื่อการยังชีพเพื่อการปฏิบัติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจมันไม่ผิดหรอกตามหลักธรรมแต่มันอาจจะผิดตามหลักของประเพณีนิยมดัะนั้นบางทีเราก็ต้องมองทั้งสองส่วนด้วยกัน ถ้ามันเกี่ยวข้องกับประเพณีนิยมแล้วทำไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็คงก็ต้องหยุดไปก็ทำแบบอื่นก็ได้เอากระมังเอาชามแทนก็ได้ถ้าใช้บาทไม่น่านก็ถือใช่ไหมห่มสีกับไม่ได้กาวสีเขียวหรือสีแดสีอะไรก็ได้ที่เขาไม่ว่า อันนี้้ก็แลแลวต่คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามข้อที่หนึ่งตอนนี้หนูรู้สึกท้อเบื่อไม่อยากปฏิบัติไม่อยากมาวัดหนูรู้ว่าที่ท้อที่ทุกมีสาเหตุมาจากความอยากหนูอยากดีแล้วมันไม่ดีมันเลยเหมือนขวดก้นล่วหนูก็ไม่อยากมีความรู้สึกแบบนี้เพราะถ้าไม่ปฏิบัติก็จะยิ่งทุกหนูควรทำอย่างไรดีคะ ก็หยุดความอยากดีแล้วก็ปฏิบัติดีไปเท่านั้นน่ะขอให้เราทําดีไปแต่อย่าไปอยากดีทําดีตามเท่าที่เราทําได้เพราะบางทีความอยากดีของเรามันมากกว่าความสามารถของเราที่เราจะทําได้ก็เลยทําให้เราทอ้อขอให้เราทําดีเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกันเราทําบุญใส่บาตได้เท่าไหร่ก็ทําไปเท่านั้นเรารักษาศีลได้กี่ข้อก็รักษามันไปอย่าไป เป็นพระพุทธเจ้าทันทีทันใดเป็นพระอาหารหันต์ทันทีทันใดมันจะท้อเพราะมันทำไม่ได้ข้อที่สองพวก พ, พี่ชอบพูดว่า เวลามีปัญหามีคำถามแล้วเวลาหลวงพ่อเทศก็ตอบคำถามโดยที่ยังไม่ได้ถามแต่ทำไมหนูไม่เจอคำตอบอย่างเขาบางครั้งมีปัญหาทุกเจียนตายหวังว่าจะได้แสงสว่างแต่ก็ไม่เจอคำตอบทั้งที่คาดหวังว่าจะเจอและใจจดจ่อรอคาตอบแบบที่พี่ๆเจอกันเมื่อก่อนหนูรู้สึกว่าฟังเทศแล้วโดนแต่มาหลังๆไม่ แถมรู้สึกว่ายากไม่ค่อยเข้าใจหนูควรทำอย่างไรที่จะกลับมาเข้าใจที่หลวงพ่อเทศคะคือส่วนหนึ่งก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะว่าถ้าเราฟังอย่างเดียวนี้บางทีมันจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจดีขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังอย่างเดียวนั้นมันก็จะได้คำตอบในระดับหนึ่ง แต่ถ้าอยากจะได้คำตอบที่ลึกและกว้างกว่านี้ก็ต้องปฏิบัติเพราะคำพูดคำสอนนี่มันออกมาจากการปฏิบัติผู้ฟังถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็จะไปไม่ถึงจุดนั้นก็จะไม่เห็นภาพแบบผู้ที่แสดงให้เห็นเห็นอยู่แต่ถ้าปฏิบัติแล้วพอไปถึงจุดนั้นก็จะเกิดความเห็นความเข้าใจเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งการฟังและมีการปฏิบัติควบคู่กันไป จิตถึงจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้ถ้าฟังอย่างเดียวนีมันจะไปไม่ถึงไหนเหมือนกับเราดูแผนที่แต่เราไม่ได้ออกเดินทางเราก็จะไม่รู้ว่าแผนที่ที่เขาแสดงไว้นี่ถูกผิดอย่างไรมีสถานที่ต่างๆตามที่เขาเขียนไว้ในแผนที่หรือไม่เราจะไม่รู้แต่ถ้าเราได้แผนที่มาแล้วแล้วเราออกเดินทางไปตามแผนที่นั้นไปถึงจุดนั้นจุดนี้ เขาก็จะบอกว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้เราก็จะดูเห็นทันทีว่ามีหรือไม่มีอย่างไรแล้วเราจะเข้าใจความพูดของเขาว่าเขาพูดนี้เขาหมายความว่ายอย่างไรยันอย่าเพิ่งไปท้อแท้ฟังแล้วไม่ได้คําตอบนะว่าบางทีเราต้องปฏิบัติถึงจะได้คําตอบคนอื่นเขาอาจจะปฏิบัติมาก่อนแล้วพอเขามาได้ฟังเขาก็เข้าใจทันที คำถามต่อไปจากคุณกระหนกพรข้อที่หนึ่งถ้าจิตมันติดเลวอยู่มากบุญทานก็ไม่เกาะจิตก็ยิ่งเศร้าหมองทำบุญทาทานอะไรไปก็รู้สึกเหมือนไม่มีผลจิตไม่ยินดีไม่สดชื่นหากแต่ว่าทําไปเท่านั้นเองจิตกลับติดอยู่กับอาทรที่เป็นบาปอากุศลมากกว่าจะทาอย่างไรดีคะเราจึงจะรู้สึกสดชื่นกับทานที่เราทา คือก็ต้องดึงจิตออกจากอ า, อารมณ์ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีเช่นใช้การบริกรรมพุโทโธสวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรามีอารมณ์ไม่ดีเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีต้องหยุดมันการทำบุญทำทา น, นี้ดับมันไม่ได้การที่จะดับอารมณ์ไม่ดีความคิดฝ่ายต่ำนี้มันต้องใช้การภาวนาใช้สติดึงกลับมาเวลาเกิดความคิดไม่ดีรีพุโทโธไปเลย คิดอยากจะฆ่าใครนีพุโทโธพุโทโธไปคิดอยากจะไปทำบาป ท, ทำกรรมนี่พุโทโธพุโทโธไปอยากไปให้มันคิดถึงเรื่องที่เราอยากจะทำแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วจิตก็จะกลับมาสดชื่นเบิกบานเหมือนเดิมแต่ถ้าจะอาศัยการทำบุญอย่างเดียวทำความดีเพื่อลบรางบาปนี้มันทำไม่ได้เพราะว่ากำลังมันไม่พอต้องใช้การเจริญสติ ข้อที่สองญาติผู้ใหญ่ไม่นิยมตักบาตรทำบุญเข้าวัดท่านว่าท่านทำเป็นปกติอยู่แล้วให้เงินลูกหลานช่วยเหลือผู้อื่นไม่โกงใครไม่เบียดเบียนใครไม่โกหกทำความดีอยู่ทุกวันแล้วแต่ดิฉันสังเกต ไม่ใช่อย่างที่เขาพูดดูเขายึดมั่นถือมั่นขึ้นเรื่อยๆจะอธิบายกับเขาอย่างไรดีคะเพื่อให้เขาทําบุญทําทานรักษาศีลจเจริญภาวนาก็ต้องดูว่าเขาอยากจะฟังเราพูดหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากจะฟังเราพูดพูดไปก็ป่วยการยันเราก็ต้องรอให้เขาถามถามเราก่อนถ้าไม่ถามก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าพูดไปก็เหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัข ข้อที่สามจิตจกวางจริยาของผู้อื่นได้ต้องใช้ปัญญาปกติดิฉันชอบเพ่งเลงผู้อื่นใครทำถูกใจก็ชื่นชมยินดีใครทำไม่ถูกใจจะตำหนี่เป็นการใหญ่ควรจะพิจารณาอย่างไรดีคะเพื่อเห็นว่าอารมณ์ทั้งสองนี้เป็นปกติธรรมของโรคพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนหรือ สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นอนุตาเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้เหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกน้ําท่วมนี่เราไปสั่งมันไม่ได้เวลามันตกเราไม่ไปโกรธมันใช่ไหมเวลาน้ําท่วมเราก็ไม่ไปโกรธมันเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้เป็นเรื่องสุดวิสัยฉันใดการกระทําของคนก็เหมือนกันเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ไปสั่งเขาไม่ได้เราไม่ต้องไปวิาพากวิจารวิาพากไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆ ป, ปล่อยให้เขาทําไปตามเรื่องของเขาแล้วเราจะสบายใจเรื่องการช่วยเหลือการสั่งสอนกันนี้ก็ยังอยู่ที่เขาว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ถ้าเขาทําตัวไม่ดีเขาอยากจะแก้ไขอย่างที่ญาติโยมถามปัญหาอย่างนี้เราก็บอกเขาได้แต่ถ้าเขาไม่สนใจเราจะไปบอกเขาเขาก็จะ ไม่ไม่ฟังเราอยู่ดีและดีไม่ดีอาจจะเกลียดเราเสียด้วยซ้ำไปเพราะไปยุ่งยามกับชีวิตเขาข้อที่สบางทีก็รู้สึกว่าความตายเข้าใกล้เราทุกขณะก็ขยันเร่งความเพียรพอนานวันเข้าก็ไม่รู้สึกว่าความตายเข้ามาใกล้เราเริ่มขี้เกียจขี้ค้านอีกจะทำอย่างไรจึงจะพิจารณาความตายอยู่ใกล้เราทุกขณะ เราไม่ควรประมาทเพื่อให้เราขยันมากๆคะ่ะไปเยี่ยมป่าช้าทุกวันทำเป็นกิจประจำกิจวัตรประจำวันก่อนจะไปทำอะไรก็ไปปา่าช้าก่อนไปพิจารณาซากศพที่ถูกฝังอยู่ก็ดีที่ถูกเผาก็ดีที่วัดทุกเช้ามีการเก็บกระดูกเก็บขี้เถ้าเนี่ยก็ไปดูเขาเก็บกระดูกเก็บขี้เถ้ากันก็ได้ทำเป็นกิจวัตรประจำมันจะได้ไม่ลืมอย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระอนุ์ว่า ให้พิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกถ้าเราสามารถพิจารณาได้โดยที่เราก็ไม่ต้องไปที่ป่าช้าก็ได้ถ้าเราเลกถึงความตายได้อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาแต่ถ้าเราลืมเราเผลอบางทีเราก็ต้องไปเห็นของจริงเพื่อที่จะได้ปลุกเราปลุกสติเราให้ฟื้นตื่นขึ้นมาเพื่อเราจะได้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อยๆขอ้อที่ห้า ปัญหาในโลกนี้ไม่เคยอิ่มขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังค่ะอา้าวความอยากของเราเราทํามากี่ครัง้งกี่หนแล้วมันมันทําให้เราอิ่มแล้วพอหรือเปล่าก็นั่นแหละก็ก็ไม่เห็นต้องอธิบายมันก็มีกันด้วยกันทุกคนคุณอยากก็อยากสูบบุหรี่เอาสูบ ก, กี่มวนมันถึงจะพอเอสูบไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีอิ่มไม่มีพอวิธีจะให้มันอิ่มมันพอก็ต้องไม่สูบตอนนั้น พอมันอยากก็ฝืนมันไม่ทำตามความอยากพอฝืนได้สักระยะหนึ่งความอยากมันก็หมดกำลังไปพอหมดกำลังจะหมดกาลังไปมันก็อิ่มมันก็ไม่อยากจะสูบข้อที่หกการพิจารณาความไม่เที่ยงจะช่วยลดสกากยัตทิติได้อย่างไรคะก็ทำให้เราเห็นว่าของที่เรามีอยู่นี่สักวันหนึ่งมันก็จะจากเราไปก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริง เราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดมันว่าเป็นของเราแล้วก็จะไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดพอไม่มีความอยากความทุกข์ก็หายไปข้อที่เจไม่มีร่างกายย่อมไม่มีเวทนาไม่มีเวทนาย่อมไม่มีร่างกายอย่างพรมชั้นอรูปภพมก็ไม่มีเวทนาหรือไม่คะพรมชั้นนี้มีทุกขเวทนาไหมคะ ไม่มีหรอกเวลาจิตอยู่ในความสงบนี้มันไม่มีเวทนาเวลาถึงแม้จะมีร่างกายมีชีวิตอยู่นี้แต่เวลาจิตเข้าฌานก็ถือว่าจิตเป็นพรมไปในขณะนั้นในขณะนั้นตัณหาความอยากก็ไม่มีการรับรู้เรื่องของร่างกายก็ไม่มีเพราะจิตถอนออกมาจากร่างกายชั่วคราวคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเด็กห้าขวบได้ฟังเทศของหลวงพ่อ เรื่องพระเวสสันดรทำทานหมดยกลูกเมียให้เขาไปหมดเด็กถามว่าพระเวสสันดรจะบาปไหมที่ทำร้ายจิตใจลูกเพราะลูกยังเด็กที่ท่านทำท่านไม่ได้ทำเพื่อทำร้ายจิตใจลูกท่านทำเพื่อให้ลูกได้อยู่ดีกินดีเพราะมีคนขอไปเลี้ยงท่านเองไม่มีเวลาหรือไม่อยู่ในภาวะที่จะเลี้ยงดูได้อย่างเต็มที่ท่านชั่งน้าหนักดูแล้วว่า เขาจะได้ดีกว่าอยู่กับท่านท่านก็ให้ไปอย่างนี้ไม่บาปหรอกเพราะให้ด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดาีมีใครอยากจะถามไหมยังมีเวลาถามได้น ะ, ะถ้าปิดมาแล้วก็ห้ามถามนะเดี๋ยวจะหาว่าโหดร้ายถามสิจะได้คนอื่นจะได้ยินได้ฟังคำตอบอ ค่ะพื่ยนท้าอาจารย์ค่ะโ <Okay. S 1> อ้ยเมื่อกี้เหมือนได้คำตอบคิดว่าน่าจะได้คำตอบบ้างแล้วค่ะคือนั่งหนูเริ่มนั่งสมาธิเริ่มต้นพูดใกล้ๆเิยดังๆ <c oughs> งเปิดอยู่แล้วหนูเริ่มนั่งสมาธิก็คือว่าหนูฟุตโธแล้วก็เอ่อเวลามีความคิดหนูก็คือไม่ไปไม่ไปนสนใจความคิดไม่ไปคุยกับมันนะคะหนูก็พุทโธของหนูไป จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันทุกอย่างมันหายไปหมดคือมันเหมือนกับอะไรมันมันหายไปหมดเลยแล้วมันมาโผล่อีกทีคือว่ามันมีความคิดอยู่แล้วก็หนูไม่รู้ว่ามันมีความคิดแล้วความคิดหนูก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรคือมันคิดอยู่ห่างๆแล้วหนูก็ไม่รู้สึกว่ามีร่างกาย แล้วหนูก็จําไม่ได้ว่าหนูกําลังทําอะไรคือมันลืมไปหมดทุกอย่างเลยแล้วสักพักหนูก็ค่อยๆนึกออกว่าหนูกําลังทําสมาธิแล้วก็แปลกใจว่าทําไมไม่ได้ยินเสียงอะไรแม้กระทั่งเสียงจั ก, กรจันท์หรือพัดลมที่เปิดอยู่แล้วพอสักพักก็ก็รู้สึกตัวดีว่านั่งอยู่แล้วก็ว่าเออเราหลับแล้วฝันไปหรือเปล่าเพราะมันก่อนที่มันจะมาโผล่ว่ารู้ว่ามีความคิดเนี่ย มันวืดหายไปช่วงหนึ่งเลยแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะหลับเพราะว่าตัวตรงตัวตรงศีรษะตรงแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะหลับนะคะแล้วทาไมอ่ะ <laughs> คือหนูถากว่า อ, อันนี้คือเป็นสมาธิอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะถ้ามันรู้มันก็ไม่หลับถ้ามันหลับมันก็ไม่รู้แล้วตรงที่ขาดไปช่วงหนึ่งก่อนที่จะมารู้ว่าความคิด มันขาดแบบไหนมันขาดแบบไม่รู้หรือขาดแบบรู้มันเหมือนวืดไปหนูไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่แล้วพอรู้อีกทีก็คือรู้อ่าก็คงจะหลับบ้างหลับบ้างรู้บ้างก็เหมือนคนขับรถบางทีหลับในขับไปขับไปแต่ไม่รู้ว่ากำลังขับอยู่มันหลับไปจนกว่ารถมันจะวิ่งไปผ่าน ไปชนไอ้ไอ้ปุ่มที่มันอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยเติขึ้นมาโอ้ยเราเผลอไปแล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นฮะถ้ามีสติถ้ามันเป็นสมาธิมันจะรู้แบบตอนที่เรารู้กันอยู่ตอนเนี้ยแบบที่เราคุยกันอย่างเงี้ยรู้ว่าตอนนี้กําลังคุยกันรู้ว่าตอนนี้หยุดคุยแล้วครับถ้ามันไม่รู้ก็แสดงว่ามันอแบบอะไรสลึมสลือแต่มันแต่มันมันรู้เพียงแต่ว่ามัน มันรู้มันรู้มันมีตัวรู้อยู่แต่มันไม่ได้ยินอะไรมันไม่รู้สึกว่ามีตัวเราก็ดีก็ ด, กดีก็ทำไปให้มันมีแต่รู้อย่างเดียวก็แล้วกันอของล้วกับนักศกษารเรียนถามนะเจ้าค่ะเคยภาณฑ์ที่เขาใหญ่นะเจ้าค่ะขณะที่กายเบาใจาเบ า, จ, า, เบาจิตเบาสบายมีความรู้สึกว่าในขณะนั้นเนี่ยมันมีพลังจากภายนอกมากระทบที่ใจของเราทีนี้เหมือนกับพลังภายนอกเนี่ยเป็นแสงสว่างที่พุ่งเข้ามาหาใจเรา มันรู้สึกว่ามันทําใจของเราให้สงบได้มากขึ้นแต่ขณะที่ทําตรงนี้สังเกตดูถ้ามาถึงจุดตรงนี้ทีไรเนี่ยหนูจะพยายามประคองความสงบมันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่มีความสุขมันยังไม่สามารถที่จะส่งให้นานเท่าที่เราคิดว่ามันควรจะนานกว่านี้เจ้าค่ะมีวิธียังไงเจ้าค่ะก็พยายามเจริญสติให้มากขึ้นสติเรามีกําลังส่งจิตเข้าไปได้แค่นั้นถ้ามีกําลังมากกว่านี้มันก็จะเข้าไปลึกกว่านี้อยู่ได้นานกว่านี้ ก็ต้องพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนเวลาที่เราไม่ห น, น้างสมาธิเราก็ต้องพุโทโธอย่างต่อเนื่อง mm hmm. แล้วซักกำลังสตินี้ก็จะมีมากแล้วมันก็จะทําให้เราอยู่ในสมาธิได้นานอยู่ได้ลึกและทําใจนิ่ ง, งสบายๆจอมันที่รู้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเจ้าคะไม่เวลาออกจากสมาธิมาต้องเจริญพุทธโทรต่อไม่ใช่หยุดแล้วก็คิดปล่อยใจคิดปรุงแต่งฟุง้งซ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ แสดงว่าไม่ได้เจริญสติสติก็จะมีกำลังในขีดหนึ่งก็จะทำจิตให้ได้สงบได้ในในระยะหนึ่งถ้าอยากจะให้มันอยู่นานๆก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องขอบคุณจุ๊ก้าตอนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ใบพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ